มันบชิตน้องฝ่ายกระหัสถูกครองเรือน เ, เข้ามาถูกวัดก็แสดงตอนสำหรับพระละวาดก็กลายเป็นจากกระหัสถูกครองเรือนกลายเป็นอุบาสกกลายเป็นอุบาสิกาปฏิบรรัติธรรมโยธรรมะหาความสงบทางจิตหรือกายแล้ วาจาตลอทั้งกุริยามาายาต่างๆก็เข้าไปสู่ภาวะเนคัมมะปฏิบัติก็คือมาเจาริญประกรรมาฐานมาบำเพ็ญศีลมาบำเพ็ญสมาธิมาบำเพ็ญภาวนาให้เกิดปัญญาทั้งสามประการนี้ ไหวพระสงฆ์องค์เจ้าก็บำเพ็ญศิลให้มีสติปัญญาก็คือถึงสมาทิปัญญาอันเดียกันเรียกว่าปลายศีกาสามจะเป็นญาติเจงิญไฟฆราวาดไหวอุบาสกปิตาก็ตามจะเป็นพระภิสุามันเนรก็ตาม มีพระวินัยบัญญัติควบคุมติดในการมีกตุปัญญาในความื้นจากการกระทําทั่วหยาบเพื่อบัติโทษแต่ประการใดญาติโจมเป็นคุตกสาสนิกชนก็มีการควกคุมติดโดยมีสติสัมปชัญญะคือศูนท เป็นมนุษย์ใ้บอดีสุดเรียกว่าพุทธศาสนิกชนแต่ลายุนได้ทำก็ไม่ใช่กล่าวชื่อว่าพุทธศาสนิกชนปต่ปลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ไม่เนีหน้าจะเรียกว่าชาวพุทธ แม่มมตาจะเรียกว่าพุทธศาสนชนคนยอมรับนับถือพระพุทธศาสน า, าท่านทั้งหลายมีชื่อหมายว่าเป็นชาวพุทธนับถือาศาสนาของพระพุทธเจ้าคาว่านับถือพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นคือยอมรับปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมวินัยแล้วนั่นแหละถึงจะเรียกว่าชาวพุทธที่เราเรียกว่าพุทธศาสนิกโดยทั่วไปนั่นก็คือบุคคลกลุ่มหนึง่งที่ตั้งใจมัน่นยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยอมรัก เรียกว่าพุทธศาสนิดเป็นชาวพุทธแท้จริงเพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็คือปฏิบททัติตรงไหนปฏิบัติที่ศีลสมาธิปัญญาท่านมีสติควบคุมจิตได้มีสมาธิรู้ตัวว่าจะทำดีหรือทำชั่วประการใด ท่านกลรู้ตัวของ่านอยู่แล้วนั่นแหละถึงัะคู่ควบคุมตัวได้ัจะมีระเบียบเรีเบยบร้รอยเนี่ยคือชาวพุทธปฏิบัติศูลปฏิบัติธรรมคือศีลธรรมนั่นเองคาําว่าศีลธรรมก็คือท่านมีสติฉัมภิชันยะถ้าหากว่าท่านไม่มาเนิธรรมปฏิบัติไม่มีปติฉัมภินสิ ถ้ารสตุปัญญาไปไม่ได้ท่านจะไม่มีโอากาสที่จะเป็นมนุษย์เลยที่คกลายเป็นคนธรรมดาคนไม่ขี่อคนสุกๆเดิกๆถ้าท่านปฏิบัติศีงปรุงคุณสมบัติของท่านแล้วท่านจะเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตอนทั้งกายจัญญามารตาก็สวยน่ารัก จะกราบพระน้มัตรการพระโปรยบร้อยที่กสวดรมนว่วพระดีขึ้นจิตท่านดีก็กำหนดจิตสำมาฐานได้มันมีสมาธิถือมั่นจิตมั่นอยู่ในความดูได้ปัญญาของท่านก็จะใช้เป็นประโยชน์ประจําตัวเองประจําครอบครัวได้ อันนี้ฉังจะเรียกว่าพุทธศาสนิกอันถูกต้องแต่คนไทยชาวพุทธมากมายก่กองไม่ใช่เป็นชาวพุทธแท้เลยกลายเป็นชาวพุทธแบบฟอร์มพระพุทธเจ้าบัญญัติอันใดไว้ก็ไม่ทําตามอานาติปาตาก็ยังเสวนใจดำอมไม่หิเที่ยมโหดทารุมดูร้ายพาสาดตัวเป็นให้จำตายนี่หรือชาวพุทธ มีจิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์อาฆาตเจียดแทนใจดำนอกดำในจิตใจอาฆาตเจียดแทนฆ่าสัตว์หน้าอย่างลงคออธิานาทานเกิดขึ้นอีกสอบเดียเดเบียนทรัพยอยากหน้าของเขาแต่ของตัวก็ไม่จะแล้วรักษาไว้ให้ยีจะไม่นีอันเต็นปะโยชน์ในชีิตทุก์ทาง ไหนเลยเล่าทรัพย์สิเงินทองมากมายไก่กองที่หามาด้ความยากหามาด้วยความลําบากเราไปเดียดเดือนทรัพย์ที่เขาหาได้ยากลาบากเหมือนเยาเราหาได้ยากลําบากเช่นเดียวกันยังฝ่าฝูนถึนแต่เดือดเดือนทรัพย์เขาโกงคนโน้นโกงคนนี้งาวายหลังหลเหมันถือเข้าถี อ, ออกตลอดเลยต่ากลายเป็นดีฉาดถีอสิง อ ย, ยูย่ในจิตใจของคนเหล่านั้นคนใดถ้าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสาชนิดแรกมันจะกลายเป็นคนถีเข่าที่ออกบอกไม่ได้ถีสิงดีศาสตร์ผีสิงอ ย, ยูย่ในจิตใจของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จับมีดศาสตร์สิงอยู่ในจิตใจให้ทําทความชั่วตลอดไป ตลอดกระทั่งล่วนประเวณีในทังโคมหน้าบาดซีที่เขาลูการทั่วไปนจะต้องยอเครืยองโลกลังอาลาบโจหกหมดเท็ป พ, ท พ, พ, พูดเท็พูดซอเสียดพูดคำายาบพูดเพ้อเจอตลอดเลยการไม่มีหลักธรรมประจำจิตประจำชีวิตขั้นขานแถมเมาโลกเมามลาบเมายศ ก็ยังไม่พอกลับไปเบิ่มตุลายาเมาให้มันเมามากกวาไปอีกคนเราก็เมากันอยู่แล้วเงอนสมองอยู่เสมอเมาอยู่ตลอดเวลาการเมาโลกเมาโกรธเมาหลงตลอดเวลาการกลับไปกินเติตุลายาเมาให้มันเพิ่มก็ไปอีกเลยไกลเป็นอะไรลายเป็นมนุษย์สแปะโตมนุษส์เถระฉาโน ไล่มาลยากขาดเหตผลไม่มีสติพวกผมจิตไอคนเมาเมาอะไรหลายอย่างพูดไม่มียางอายขาดฮิลิโอตะปะเพราะเมาด้วยสุร่ายาเมาเมาเมาลาเมายศเมาโลกเมาโกรธเมาหลงมันก็เมาอยู่แล้วก็ยังไปเดินสุรายาเมาอีกไอมันเมานอกเมาในเสียเกิดเสียการเสียงานของท่าน นี่แหละท่านพุทธสาสนิกชนเป็นบุคคลที่ไล่สาระเป็นชาวพุทธที่แบบฟอร์มเพื่อลงสมโนครัวว่ากับไเจ้านับถือศาสนาเท่านั้นไม่มีการปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านสาธุช น, นทั้งหลายที่ท่านมาปฏิบัติธรรมก็ต้องการจุดนี้สำคัญมากมาเนธธรรมะปฏิบัติขอให้ปฏิบัติให้จริง อาารจะเจริญสติปัฏฐานสีได้สี่สอนกันทุกวันกายานุปัสสนาสิงทางกายสมาธิทางกายปัญญาทางกายมีไม่มีอก็จิตที่ดีมีสติแล้วกายก็เรียบร้อยไปด้วยจะยืนเนินจะนั่งจะนอน จะเลี้ยวซ้ายแลขวาจะคู่เหยียดเหยียดขา ม, มีมารยาทเป็นชาติพูดีมีจิงธรรมพร้อมไปด้วยฉิงสมาธิปัญญาดูในข้อปฏิบัติทุ่งท่านรรอย่าว่าอย่าว่าหน้าหวายหลังหลอกที่บอกกันไม่ได้นี่และกายานุปัสสนาแกายพองกายายุกกายยืนหนอห้าครั้งขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอนี่กาย มีสิ้อยู่ตรงนั้นมีสติอยู่ตรงนั้นสมาธิเกิดขึ้นจากการยืนหนอห้าครั้งเดินตรงตรมเป็นต้นท่านมีสติเดินตายก็เรียบร้อยตายมีสิ้นมีธรรมจิตใจก็มีปัญญาจะทํำอะไรก็เรียบร้อยอ่อนน้อมอ่อนช้อยละม้อยละไมเรียบร้อยไปทั้งได้ตายเรียบร้อยไปได้สวาจา่า จิตใจก็มีสัจจังเวอมตาวาจาพูดจริงทำจริงทุกสิ่งไม่แปรผันไม่แปรพักไม่แปรทวกเป็นพวกเดียวกันหมดคือเมฆขมมะเป็นพวกเดียวกันหมดคือท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาปฏิบัติเมฆธรมะปฏิบัติได้แล้วก็จะได้รู้ตึกรู้เช่งตืลึกนะบางเบกกาญาณุปัสสนาได้าตาย ทั้งโลกประรนามรทมชัดเจน เ, เวทนามปุปสนะกับตรวจมือยกับพอพลมานอันใดก็มีปฏิยัติเข้าไปโดยการท่าปฏิบัติถึงขั้นจะได้รู้ลูกนามจะรู้ขันห้าเป็นประการใดาการตรวจมวยนั่นก็เป็นอุป า, าทานที่ควรจะศึกษาสแสวงหาความรู้เลือดว่าสมทะ สุดมุ่งหมายอันนั้นก็ทำให้สมาถิเป็นการศึกษาให้ชัดเจนในรูปธรรมนามธรรมเวทนาที่ปวดมันก็หายไปสิก็ไม่พะวงสง่าสิก็ไม่ระยึ์เหนียวอุปาทานก็ไม่ประยึดมันสตีก็ดีขึ้นจิตใจก็ถึงกุศลเป็นปัญญาแล้วนั้นเวทนาก็เกิดขึ้นดับไป ชอบมาอาสายลูกเกิดมันจึงเกิดเวทนาในตัวตนมันมีทั้งเวทนาทางด้านนอกด้านในสุขก็เวทนาทุกขก็เวทนาอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกขมันก็ใจลอยเลื่อนลอยออกไปหาเมตสิปัญญาไม่คนเราที่แตกแยกกันไปเพราะการกระทำจากกฎแห่งกรรมเหล่านี้เป็นต้น แต่เราเข้าถึงภาวะเวทนาเบิดขาเวทนาไม่สุดไม่ทุกข์ก็ต้ อ, องกําหนดสุดว่ารู้หนอรู้หนอที่ลิน้นปี่นั่นจราจะได้รู้ว่าจิตนี้มันออกไปอย่างไรจิตนี้ไปไปใช้อะไรไปคิดดีหรือคิดชั่วมันจะบอกให้เรารู้ตัวว่ารู้หนอรู้หนอที่ลิ้นปีนั่นต่นอให้มันเข้าล็อกเหมือนกัน ถ้าทำผิดล Th Th ok ็อกผิดจุดแล้วท่านจะทำได้ถูกต้องหรือประกานได้จะไล่ความหมายขาดเถิดถอนจิตใจก็ไม่เข้ากูศอนเทสนาจิตไม่ถึงจึงอยู่ธรรมะเข้าไม่ถึงมันไม่มีโอกาสจะซึ้งใจได้แน่นอนจิดใจก็เลยเทลาดาดเหมือนคนเดิมไม่ผิดทำยังไงก็เป็นคนเลอะเลี้ยอยู่นะไม่ดีกว่านั้นเลย คนที่ดีมีปัญญามันจะเปลี่ยนภาวะมันจะเปลี่ยนนิสัย ใ, ให้เข้าสู่ในความดีขยายมันเพยียนตลอดเลยการจิตจะไม่ตกไปพบลามกจิตใสจะสะอาดบริสุทธิ์จิตจะไม่ลาโมกสปกปรกในตัวเองก็มีความสะอาดหลาสจากมุนทิมและความสมองโดยจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานจิต ส, สะอาด ถึงจะคิดอะไรนอกกลุนอกทางก็มีสติไปควบคุมดูแลที่มันคิดว่ามันคิดเรื่องดีหรือเรื่องร้ายไอ้สติตัวนี้จะบอกได้ฉัปนปัญญาจะรู้ได้เลยว่าคิดไม่ดีจะแล้วเราจะพลาดผิดต่อไปไม่มีโอกาสที่จะดีได้ฉนนั้นในเมื่อมันโอกาสเช่นี้แล้วท่านจะรู้ก็แห่งตารมว่าทำมานุ ป, ปัฏนานติปทานได้ยอย่างไร ทำที่เป็นกุศลทำของท่านเป็นอกุศลท่านก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าทำถูกหรือทำผิดที่จะเป็นแกงสารนี้จะลายสาละท่านก็ไม่ทราบท่านก็จะไม่รู้ผมต้องกํำหนดรู้หนอที่ลืมปีนั่นว่าท่านผ่านมาแล้วครั้งอดีตในวันนี้ลหรือวันเนี้กันต้นที่ทำนั่นเป็นอกุศล นี่แหละตรงกุศลแตประทานได้ควรจะเปลี่ยนภาวะแลกแต่ไขยปัญหาตรงนั้นชีวิต ท, ท่านก็จะแจ่มใสจะไม่มัวหมองชีวิต ท, ท่านจะผองใสและผ่องแพ้วจิตใจจะคลายแคล่วเบี่ยงมานจิตจะสันดานก็จะหายไปความดีมาแทนที่ไอ้สันดานไอ้สันดอนก็จะหมดไปจิตใจจะไม่เป็นสันดานนอนเนื่องในะสันดานอนุสัย ถงงจะมีนี้แกท่านอีกต่อไปดี๋ยวทำมาหนุปัาสนาปฏิปทานแต่ผู้มาปฏิบัติจึ่งจินมจำจำวันเดียวกลับเพาะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยอ่านหนังสือเพียงแต่หน้าปกเท่านั้นทำนามก็ยังไม่ทันจะอ่านเลยก็กลับบ้านกัแล้วถ้าท่านจะไปรู้อะไรหรือแล้วกลับไปพู้กันเพ้อเพ้อในสังคมขนุนช่าพุทธว่ามาทำก็มาถามว่าผวนไม่ได้เรื่องเลย ไม่ดอะไรทุกข้องทุกประการเพท่านอ่านใจหน้าปกคำนำยังไม่ได้อ่านรู้ว่าเรื่องอะไรอ่านแล้วจะได้ประโยชน์อันใดทำไมต้องพิมพ์เรื่องนี้ด้วยฉันใดก็ฉนั้นมากันมาทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งสูงอายุและไม่สูงอายุ ออแบบเดียวกันหมดเลยอ่าแต่หน้าปกก็ยังอา่านไม่ออกแบบไม่ได้ใช้ไม่เป็นแถมคำนำําก็ไม่รู้ว่าเขานําอะไรเขาทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยหลับแล้วหลับแล้วหลับไปถึงบ้านแฟนก็ถามเป็นไงแล้วแฝไปปฏิบัติคำมาด่าอะไรไม่รู้เรื่องกัะเขาเลยนี่เนี่ยอย่างนี้จะมากไม่ได้เรื่องแล้วก็เปลีนเวลาที่มาด้วย น่าจะตีค่าเวลาของท่านหนืชีวิตอมีค่าเวลาของท่านจะมีประโยชน์โอผิพผลแต่แล้วก็กลาบกลายเป็นคนไร้สาระไม่มีเนื้อหาและแกนสามเนื้อหาสาระไม่มีแกนสามน ม, ม, มันก็ไม่มีแกนมันก็ไม่มีแถมเปลือกก็หมดตอนไม้นี้มันจะยู่ได้อย่างไรมันจะยืนต้นได้อย่างไรมันจะงอกงามให้กันไม่ได้ จิตใจก็จะคลดเศร้าจิตใจก็จะเศ้าหมองมาแลกบุญกันเท่านี้เป็นไปไม่ได้วันนี้มีตําลามาถามเรื่องเพาะคะฉันแผ่เมตตาให้ลูกมันก็ยังดีไม่ได้ล้องพ่ออบอกให้ขวดมนต์แผ่เมตตาให้ลูกลูกจะดีได้ไมาเห็นเป็นความจริงเลยลูกมันก็เตะตามเดิมก็แห ม, ม่นางแม่เอสร้างความดียังไม่ถึงดี ทำดียังไม่ได้จดทำดียังไม่ได้ดีจะได้ดีหรืออย่างนี้มันมานั่งกรรมาฐานให้ลูกดีอ่านจะหน้าปกลาลบทำน้าก็ยังไม่จบกลับบ้านแล้วก็จะให้ลูกดีได้ยอย่างไรต้องคางให้เสมอต้นเสมอปลายทำปฏิบัติให้มันได้เสมอต้นเสมอปลายตลอดชีวิตถึงจะดีพอดีไม่พอ บางคนอยู่ในวัดนี้ว่าฉันดีแล้วมันไม่ดีว่าแต่มันอวดรู้อวดดีอวดว่ามีปัญญาพ่อแท้จริงไม่มีเนื้อหาสาระแต่ประละการใดเหมือนคนว่างไปว่างมาเปลา่าไปเปลา่ามาไม่มีอะไรจิดเป็นเชือกขายมีแต่สนุนในใจมีแต่เรื่องเลวเรื่องร้ายเรื่องหาสาระ อาการตั้งหลายจะเรินกรรมฐานได้ดังที่กล่าวแล้วตั้งอกตั้งใจกลับไปบ้านก็จะเล่นกุศลภาวนาให้มันเสมอจนเสมอลายผ่านถึงจะดแยไขายปัญหาของขันได้ผ่านจะอ่านหนังสือเพียงแล้วตกผ่านจะสกปรกลามกผ่นจะแยไขายตรงไหนเล่นหงเล่นเดียวก็ยังอ่านไม่จบคำน้ำก็ไม่รู้ว่าหนังสือเนี่ยเรื่องอะไร เข้าตานไปเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เหมือนท่านมาเจริญกรรมาฐานยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยขวาอยากซ้ า, ายอยากไปเดนไม่ได้กำหนดหาสติการกำหนดจืนหนอก็ไม่ได้ยืนหนอสั้งสติให้ได้ยังไม่มีใครทําได้หรือเพราะไม่อยากจะทําไม่สนใจที่จะทําทไม่สนใจที่จะคิดไม่สนใจที่จะขสริมสร้างสติ ไม่มีตัวกำหนดกฎเจนวิถีการไหนเลยจะทันจะได้อะไรเล้าไม่ใช่มาสร้างความดีแค่วันเดียวทำความทั่วต้องหกวันหนึ่งสัปดาห์ทำความดีแค่วันเดียวก็ไม่ถึงเส่มงหนึ่งก็ยังไม่ได้แม่ห้านาทีนี้จะเอาสติไว้ 10, จะจุดจะฆ่านาทีก็ยังทำไม่ได้จะจบวันหนึ่งสัปดาห์มิจะสะละยนวุ่นวาย ในบ้าของาตนระวังสามีภรรยาระวังบุตริดาเป็นตนระวังเขาละวนวุ่น ว, า, นวายความชั่วมีมากกว่าความดีและท่านจะเอาความดีไปลดลางความชั่วมันจะได้ตัวอันได้ท่านจาไม่ยัยพ้นําไม่ได้อเนกสงฆ์พุทธนาสงสารมากชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทา่านต้งโปรยข้าความหมายไว้ ในยาสร้างความชท่วมมาเป็นความดีแน่นอนในเวลาหนึ่งเช่นวันนี้ตั้งแต่เช้าอาลุนขึ้นแสงทองส่งลาาสง่าสิงง า, ามอาลุนขึ้นก็แสงมีแสงเงินแสนทองพอขึ้นสูงขึ้นแสงเงินแสงทองของอัมพันธ์ก็หายไปค่าทิศก็ฉายแสงองศูโลกสื่คงที่จากเที่ยงวัน เที่ยงวันเนี่จะไม่กลับไปข้างต้นมันก็จะเลี้ยวลัดอับสะงคตถ้าอาทิตย์ก็เลี้ยวชายมาพลับอับสดงคด ต, ตกไปแล้วเราได้อะไรตอไอ่อในวันนี้น่ะคืนวันนี้จะได้อะไรหรือจะไปนอนนั่งนั่ง น, งนอนนู่นพาสบักแล้วก็นอนนึกแต่ไอ้เรื่องที่ชู่ชู้เอาตัวไม่หลอดบางสติไว้ทุกข์อริยาบท ปรากฏธรรมท่านจงจะต้บความดีในจิตใจทั้งชาติทนจะคิดว่าตัวดีมีปัญญาแล้วจะใช้ไม่ได้ดีทั้งหลายเอ๋ยอตามาประสบมามากมาจริงๆิดจิตนี้เนี่ยมันจะดีได้ยากมันจะคิดป่าถะคิดบ้าบาบอถ้าถืระต้นพระชันยะกำหนดถิดได้จะคิดจะเลื่องดีจะคิดลิเริ่มให้จเจริญ ไอเดินไปข้างหน้าถ้าจึดขั้นตกหาสติสัมปชัญญะจุดจะลามกถูกระบ ก, กเหมือนเดิมเหมือนท่านมานั่นเองถ้าท่านก็ไปตามเดิมน่าจะคิดว่าเราคลอดจากท้าพาของมาราจุติภัทสอนจุดผ่องใสทุกคนมาคลุกปุลใจข้างนอกมาคลุกกิเลใจ ข, ข้างนอกให้จุดเศร้ามองตลอดในการน่าจะตีความหมายว่าจุติภัสรสอเหมือนเธอมา มีจคือทองใสมาคลุกคร้ากับกิเลสโลกเปรต๋งกับปุถุทลายมาคลุกคร้ากับอันตาพานมาคลุกคร้ากับบันเดิดสร้างความคิดแตกต่างกันไปเทศบานก็ได้ผึคพบบันเดิดไผลอย่างนี้ครบคนทั่วเนี่ยทำตัวอาบจนครอบคนดีได้ผลถึงวันตายหมายความว่าอาไรครอบพานได้ผดก็คือสติจิตนี่ มันขาดสติท่านจะพบผลฐานในสุิท่านถา้าสุิท่านมีสติท่ม า, ามมาฉญยากำหนดสติปฐานสื่คอ ค, ควบคุมเขาไว้ดาสุิท่านจะเป็นบันเด็จจะพบบันเด็ในตัวท่านอย่างนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่คนน้นงเครือคนนี้ดีบ่าบอคอแกลกันปลอกตั้วกันมาวายหลังหลอกบอกไม่ได้นี่หละดิศาถือสูงมอยู่ตรงนั้นดิศา ผือหนัข้าแพนเมตตาผีก็ออกหมดรับรองได้เลยแต่มาประเสิบไอผีอแขกมันมาเข้าค้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ใช้เมตตันใช้กรณียังเมตตันยาโสภาวนาเข้าไปผีอมันออกไปได้มันก็มาบอกเราคือเมตตาไอผือดุขาผือสิงเนี่ยตัวกรณียเมตตันยสโสทั้งหมื่นจบมันก็ไม่ออกผือมันไม่ออก ผีมาหลอกเรามันหลบเข้าหลบออกพรามันอยู่ในจิตใจหน้าวายหลังหลอกอยู่ในผีอยู่าสตร์ผีถึิงอยู่ในจิตของบุคคลนั้นร้อยเปอร์เซีไม่ออกแน่เมื่อหาแม่ตาไปยังไงผีมันก็ไม่ออกทำไมไม่ออกแค่ไหนเพราะผีมันสูงแน่งานโดยพิโรฒงานโดยพิชิต มานะอยู่ในตนเองแนบเบือสันดอนเบืสันดานมันอยู่ในจิตานของมันือมันไม่มีทางออกแต่หากว่าโยมคนนั้นมาเจริญกรรมานเจริญสติเจริญสััญญกายนุาจะยืนเดินนั่งนอนำนักเสียงหนอเหงหนอ คิดหนาะโกรธเนาะทงตั้มไม่สาบายใจหนอะปวดหนอะปวดหนอะปวดหนอะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นทําให้มันจริงทั้งอย่างเล ย, ยไหมนา่งลอยบิกไปบิกมาเบี้บยวไปเดี้ยวมาพาสติสัมปชัญญะท่านจะเอาอะไรอีกหือหถ้าท่านมีสติทั้งไม่ชัญญะไม่ลดละภาวนาแล้วท่านจับเตรียมจิตจากความคิดเหลวกลายเป็นคนคิดดี อาจจเพบบรรลุในสุขใจท ข, ข้งท่ายจิตใจถ้าเราเป็นอันตรธานได้เพิดก็ขาดสติสัมปชัญญะจิตของท่านจะได้เป็นอันตรธานพานโน่นทานนี่ห้าเลื่ยงคนโน้นห้าเลื่ยงคนนี้ตลอดเวลาเนี่ยโคตรน้องแล้วอแต่มาดูคนีตรงนี้ชัดเจงมากอาจารย์ทั้งหลายมือสติเพื่อุสจิตฉันไระดัมือสมาธิมัน่นตายให้มันตาย ข้าพเจ้ายอมตายข้าพเจ้าถวายชีวิตต่อพระรัตนกายจะมีมาลายมาบอกให้ว่าเลิกนับถือพระพุทธเลิกนับถือพระธรรมเลิกนับถือพระสงฆ์ยกตัวอย่างถ้ายังถืออยู่ข้าพเจ้าจะฆ่าให้ตายเอาละอาตมายอมตายฆ่าก็ฆ่าไปข้าพเจ้าจะไม่ชิงพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งพระธรรมข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งพระสงฆ์ถวายชีวิตกระบวนพรนข้าพเจ้ายอมตายข้าก็ข้าคนเหล่านี้ไม่เอาไหนไม่มีการยอมตายแทนพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าทุทธทาชีวิตต่งยาวนิี้ผ่านังสรานางข้าพไม่มีเลยไม่มีการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาทั้งบูชา อองสมเด็จระสัมมาสังพุทธเจ้เ า, จ า, าเลยไม่มีเลยมาวายลําหลอกถีดิสาสีเสียงเสีงไปที่นอนเสีงไปที่มีไอดิสาตัวนึ้งสำคัญพาเชือกมันพาคนนั้นเชือวเชือกอดิชาเาับเชื่อไปกล่าวล่ใส่ป่ายศีข้าตลอดถ้าท่านทั้งหลายเอ๋ย้าท่านมาเจริญปฏิปทานที่เจริญกกรรมฐ า, านขันธ์ห้าหลูกนามเป็นอารมณ์ ข่มจกิดด้วยสติใชสติธรรมะแปลว่าข่มจกิดธรรมะแปลว่าข่มข่มตัวนี้แปลว่าตั้งสติไว้ให้ได้ธรรมะตัวนี้ตั้งสติและให้รู้ตัวอยู่ให้ได้อย่าให้จกิดมันเลทเพลาะาบละล้อมละหลอกและละหลวะละหลวนเดี๋ยวไรนี่เนี่ยสันดานก็หาย ตัววัฏฏานหายตัวที่ผิดก็หายนีเนบดีษาศผีสิงมันจะออกไปด้วยสติสัมมชัญญะราคะสติสัมมชัญญะแล้วตัวดิษาศผีสิงมันก็สิงตัวดเดิมดีษศาสมากเลยท่านทั้งหลายที่มาอยู่รัตววานไม่กลัวผีไม่กลัวผีเปรตเมตตาตัวเดียวเปรตก็ออกมาขอส่วนบุญเมตตาตัวเดียวแล้วดิษาศมันก็ออกมาขอส่วนบุญ อาศุลาตายสัตว์ลายด้วยยักษ์ลายมารลายเอามนมุษย์มันก็ต้องยอมเมตตาแต่อดยตศาสตร์อยู่ในตัวคนเนี่ยมันไม่ยอมใครมันสิงอยู่ตลอดเวลาการมีทุกข์ตลอดเลยการเพราม่สยบให้กับใครเราจะเรนจะกรรมาฐานแล้วจะสยบจะพบบรรดุ ทีวิส็ทธิดของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรโลกกายก็หายโลกจิตก็หายข้อดีชาติถึงมันออกไปแล้วนั่นคือกิเลสเป็นเหตุทำลายเราตลอดตัดตีความหมายผิดจิตใจท่านจะเลเพลาคาจะไม่เป็นบัณฑิตมีความคิ่เสงก็จะไม่คบค่าสมาคมที่ต่อไปแล้ว ผู้นองเลื้อธารมะปฏิบัติพิรักประธานนี้ก็ถัอฉับัญญญาฉันจะพ้บัณฑิตที่จิตของท่านจิตของท่านจะเป็นนักปราศมีความสามารถอง์อาการปฏิบัติงานและโดยชอบประกอบกรรมดีไม่ประกอบกรรมชั่วจะประการได้ถือข้าเรื่องเล็กถือหลอกเรื่องเล็กตรรมมาตัวคนหลอกคนหลอกได้มาก ไม่เอาเนยผีข่าวที่ออกมาหลอกเรื่องกันใช้ได้เนีคนที่มีสติดีมีสมาธิดีกับะพบบัณฑิตมีความศักดิสูงจะทำอะไรก็มีแต่ บ, บัณฑิตจะทำอะไรก็ลี้เลินทางที่ดีจะทำอะไรก็สร้างความดีมีปัญญาถ้าหากว่าทางขาสติฉันทะยามลายถือหยุดเขา้า ถือสิงข้าวถือตอบข้ามีทางถือตอบด้ยนถือตอบข้าวคนนั้นกินงงกินนี่กินตกกินตุกกินโน่นกินนี่กินหนิวกินหายกินลายกินดูก็ชุดมันก็อยากไปหมดไอ้ผือตอบไอ้ถือตอบที่มันอยากจิโน่นกินนี่กินเครื่องเส้นกินเครื่องของาวกินหอยเต่กินโน่นกินนิวกินหอยยาม จินกุ้นเผาจินปัตะคูนุ่นนี่มันชอบอย่างนี้นะแต่คนมีสติฉัมบัญญญาดีแล้วก็ไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์จะไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ประการใดจะมีจะแม่ตาปลาไงอาลีเอื้อเอื้อขาเหลือคอยดูกันเป็นสายสัมพันธ์ของบรรดุเพราะแล้วทั้งทั้งหลายมาจเจริญกรรมาฐานพบบรนดุทุย่าง มดูยังมีใจเป็นบันดุษดูใจความคิดประดานใดปากคบทานมาได้ท่านขาดสติไปแล้วท่านจะเป็นทานเองทานหาเรื่องกับสา ม, มีทานหาเรื่องกับภรรยาทานหาเรื่องกับพ่อแม่ทานหาเรื่องกับภูริอันนี้เมธัมมะปฏิบัติมือสติธัรมปัญญาท่นานจะครอบจะบัณฑุษจิตใจท่านเป็นบัณฑิตมีความสูง ทำอะไรก็ลงโลษโชตนาการลุ่งเรียงพัฒนาสถาพรออกมาอย่างนี้เนี่ยคบพาในผิดคบไปดูใจผมแล้วก็เดี๋ยวด้านก็ต้องไปคบได้คนชั่วเพจิตใจท่านมันชั่วแล้วคนดีคงไม่เจอกันีต่อไปนี้ยจิตใจท่านจะไปชอบคนชั่วเอาตัวไม่หลอดแนนอนเพราะสเปซเดียวกันมันชอบมินชาคน มันชอบด่าพ seafood, Yar, bon ครอบชุดชุดชุดนี้เป็นถิงกสือเป็นถี่กรหังคนที่ขาดจิตกรรมชัญญะกับเป็นผู้ชายก็เป็นถิ่กระหังถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นถี่งกสือสือที่นอนสือที่นอนสือที่นี่ขายที่นอนสือที่นี่เหนือถิงกระสืออฝากท่านทั้งหลายไว้แต่คิดโดยจินตนาการที่น้องนื้อธมะธาลูบาศก ท่านอุบาสิกาทั้งหลายทุกขลาตรงนี้ให้มาสามาจะมายอมเชื่อใครต่อไปแล้วถ้าท่านเป็นบันดุบมีสติทัมนพัญญะจะครบหาจะบันดุบถ้าท่านขาดสติท่านพัญธะจิตท่านจะตกไปเป็นอันตรพาลทัานดานบาปอยู่ในบ้านของท่านไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยาก มีอจากความลำบากตลอดที่ิึจนเข้าลงหดสอบเขาทุ่มเมนต่อไปด้วยกันทั้งนั้นทุกข์ติงปาฏิกางขาตายแล้วฉันจะไปดูในเมืองนรกไปอยู่กัเปลดอสุรากายสัตว์โดาฉาน่อไปโดยหาวันเวลามิได้อันอุบาสกปาฏิกาทั้งหลายโปรดพิจารณาติงนี้่และไอ้บัณฑิตในตัวเองไม่ต้องไปหาคนที่อื่น อาเสวนาจะพาลานางฟังติสาปัปาปปจจเจวนาอยาเสวยกถ้าท่านมีสติสัมชัญญะดีท่านจะไม่เสยโยกกายคนอันตพานปะติลูปะเทสวาศลท่ จ, จะอยู่ในประเทศอันสมควรพอเช็คจริงเต็นประการได้ปะติโลปะเทสวาสะท่ จ, จะอยู่ในประเทศสมควรที่เหมาะสมที่สดออกมาปะติโลตัง ท่าบวชแล้วท่านเจะะ้ารย์อุปาชาบอกปาติโลฟังโอปาอยู่างปาสาธุเจนะสามปาเทวีเต็นต้นชัดเจนทาบวชแล้วต้องปาติโลกลลกแบบให้มันสวยหน่อยได้ไหมที่สูตรขององเน้นปาติโลกังไม่มีเลยไม่ปาติโลกลลกแบบเด้อยังไงก็อย่างงั้นเป็นคารวาะมายังไงโฮมผ้าเหลี่ยมก็เป็นอย่างนั้น หอมพะเหลืองแล้วก็เป็นคละว่าตามเดิมนุ่งเลืองไม่ได้นี่ปฏิรูปังไม่จัดรูปแบบเลยนะข้าพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์องค์เจ้าจัดรูปแบบปฏิสังขาโยนิโชติวลังปฏิเสวะไม่กัดรูปแบบปฏิลูปังปฏิสังขาโยนิโชติวาตังปฏิเสวะไม่จับรูปแบบยะถาปัจจะยังติวลัง บินทปาโตเสนาธนะศิลาเพสักท่านสอนดีเลิศเกินจะรับประเทนทัานทายกขายิกาก็เด้วยความเครพพิจารณาอย่าทาปัจจียกนั่นคือประกรรมฐานเวลาจะขบฉันอาหารก็ปฏิสังขายโยนิโฉบินทปาตังปฏิเสวามิจัดปฏิลูกฟังลูกแบบกต่ฉันอาหารก็ค่อย เรียบร้อยผู้กรรมาฐานตัดมาช้าช้าทุกกาลนาผู้เฉเนะมาตามดูตาเรียบร้อยจะเที่ยกวก็ช้าช้าจะเกลรนก็ช้าช้าไม่มูมามไม่ตกฟักไม่มูมามไม่เลิะเทะไม่เติบเปื้อนก็ฉานช้าช้าช้อนก็ไม่ดัง กระยุดจานก็ไม่ด่างก้องแหวนกล้องแกลงเรียดร้อยนั่นปาติลูปังโอปายุจังเต็มต้ น, ตนจับรูปแบบได้สวยเรือดร้อยอย่างนี้เรียกยอดจับรูปแบบนั่นจะคือสักขบมาฐานโยมจักขบมาฐานทานอาหารก็พิจารณาทำข้าวทำแกง จะเป็นแกงเปรือยวหวานมันเค็มจะทานได้ไม่ได้พิจารณากรว่าเราโภชเมนมมตันรู้ารู้จักประเมินประมาณอาหารแต่พอสมควรไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปให้พอดิพอดีเหมาะสมทําตัวให้เหมาะสมให้เขา้ากับเขาได้กลับตัวให้เข้าก็เด็ดได้เขา้าผู้ใหญ่ได้ยันด้วยเชื่อถึงจะเลือกว่ากรรมฐ า, าน ทานอาหารเรียบร้อยท้อนก็ไม่ดังไม่ขูดการไม่กดจเป็นเปล่งกลางเปล่งกล้งอะไรอย่างนี้เป็ตน้นเนี้อสงัดอยู่ด้วยความสงบเนื้อมมะแปลว่าอยู่ด้วยความเรียบร้อยอยู่ด้วยความสงัดและก็อยู่ด้วยความสงบจึงเรียกว่าเนื้อขมมะปฏิบัติไม่ใช่บวชชีพราม์ บวชชีพรามต้องไปวัดอื่นไปนั่งกันเยีย่ยตกันบนพระลานอนกันบางสารถนนเป็นมือไปพันพระออกมาเท่กันยหญ่แตกดีตาเลี้ยไรกันไม่พักแม้ท่นานได้อะไรเหลืออย่างนี้เรียกว่าบวชชีพรามเอาพรามไปใช้ในบ้านพรามน้อยน่มน้อยกรอยตากรอยใจก็ไปตามสาละและเวทีของธุรุษ ถาจะมีเวทีของทีวิตที่เร็วแลายการบวชเนี่ยธรรมะปฏิบัติต้องการเวทีที่สงดเวทีที่จะทํางานเหมือนมวยมีเวทีฟุตบอลมีสนามฟุตบอลเทคนิกก็มีสนามกอล์ฟก็มีสนามกอล์ฟแต่ทีวิตของเราก็กงมีสนามลบ อ, อกิเลสที่เป็นเหตุเป็นข้าศึก ทำเราให้เราต้องเสียเ อ, อกเสียใจช็อกที่เลรือฐานที่คือค่าสึกของชีวิตเราก็ต้องมือสนามรบที่จินที่อยู่ที่อาศัยเป็นสนามของชีวิตก็ตให้เรียบร้อยดูด้วยความสงบนัดถือคั้นตีพลังสุขขังสุขอื่อญยิ่งกว่าความสงบไม่มีอิจฉาอันหลายอย่าวุ่นวายใจ ทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดตา จ, จากมณทินถ้าจะพบบัณฑิตถ้าจะไม่ไปคบกับพานต่อไปถ้าจิตใจท่านไม่ดีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นกับตัวท่านถ้าจะพบอันตรพานมาทิ้งโนอนที่นี่เวียงนอนเวียงนี่บาดบอกคอแตกหน้าเหมือนยักษ์หน้าเหมือนมารหน้าเปรตศีลากายชะตายตอนนั้นจำหดักเพเิ่มสามภเวช อาศุลกายท่องเที่ยวอยู่ในถนนห้อทางนอนกลางถนนข้องทางที่เราก็ทนกลายโมสับมาเวสือท่องเที่ยวอยู่วัดสงสารหาที่อยู่ไม่ได้แต่หาประมาณไม่ได้ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันนี่แหลญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมขับดุศาสถือถึงออกมาเช่นถ้าท่านมรรคติธรรมัญญะดีแล้วดีศาสจะไม่มีอยู่ในบ้านท่าน ถือถ so ึงก็จะหมดไฟถ้าจะไม่เป็นถึงก็ซือยมผู้ชายก็คงไม่เป็นผีกรหังหังนอนหังนิ่วซื้อนนซื้อนิซื้อนอนซื้อนิ่ชอบตุ้งนอนชอบตุ้งนิ่นั่นคืออาหังผีตาหังมันบินได้ให้ถึงก็ซือมันก็สื่อสารสื้อมาทางนอนสื้อมาทางนิ่วโตก็กปลาโมกมันจึงของโตก็ตกโดยไม่รู้ตัว ไอ้ถิงนกระสือมาถิงโคลงพลายข้างวัดอภวันเมื่อสองพันห้าร้อยโยกยยกเจตจมันไม่รู้ว่าตัวมาเป็นถิงนสือเหมือนอย่างเราเนี่ยใครมาว่าเป็นถิ่นกสือกรดมากว่าเป็นทิ่นอาหารก็กรดเับทั้งที่เราไม่รู้ตัวเราเป็นสิ่นกรสือเลยเช่นเดียวกันแต่สาวที่ชนไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นคนชั่วถ้าบอกก็จะกรดจะาพ่อครายถ้าท่านมาฝึก มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มามาหาความดีให้จะรู้ตัวได้ว่าเรานี่หน้าที่ได้ละลิกชาติว่าเราทำผิดชั่งอดีตมาย่งเงินไม่พอใช้ตปนนี่เป็นนีงเขาหมากหลาย น, านั่นแหละให้มันรู้ตัวอย่างนี้จะได้แตไขายตัวเองจะได้ปรับรฉงเปลี่ยนแปลงริ้เริ่มดันเงินงานที่ใหม่ให้เป็นคนดียิ่งใหญ่ในครอบครัว สามีก็ไม่ทะเลาะหาเรื่องกับภรรยาภรรยาก็ไม่หาเรื่องกับสามีสร้างความดีให้ลูกสร้างความดีให้คุณพ่อคุณแม่ต่อไปแล้วก็ ส, สู่ชั้นปัญญาดีแล้วนะ่ะถ้จาจะเป็นบดัดฑิไปไหนก็อ่อนน้อ ม, เจ อ, อมเจอพระก็นมัสการเจอผู้สูงอายุ ก, ก็ไหวเลี้ยงทางอย่างเด็กมาอบรมที่นี่เยอะ ร้อยละหนึ่งก็เอาละสอนก็ไม่เอาเจอพระก็จะชนเจอคนแก่ก็ให้คนแก่เลี้ยงทางโยยวายเชี่ยวกราวเหมือนเปรตก็มีมากหลายโรงเรียนที่เข้ามาเนี่ยฉันเิดการ ม, มานานแล้วอัตมาก็ไม่โทษใครโทษพ่อแม่เขาเขาไม่เคยสอนลูกเขาเลยก็ไม่เคยให้ลูกสวดมนต์ไหว้พระก็เห็นใจว่าพ่อแม่มันยังสวดไม่เป็นพ่อแม่ยังสวดอีสิปิโฉไม่ได้ ไม่รู้ไปศาตร์ไปสวดที่ไหนปตะการใดถ้าท่านต่างใจสอนลูกท่าน ต, าตั้งใจเล็กเล็กหรือท่านจะไม่สอนท่านเอาแบบสอนลูกกําลังคลานท่านสามีภรรยาสวดมนต์ไหว้พระแล้วเรื่อยเลียเด็กมันก็จำกำํากําลังสดจะมันจะจําแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยมันอยากจําของดีแต่พ่อแม่มันเลวเอาของชั่วมาให้ลูกจําเลยลูกก็จําของชั่วไปมันจึงทําตัวไม่ดี บาบอคอแตกไยมาและ ย, ยาขาดชาติคูดีลายสิ้นผ้ามาจากพ่อแม่ชัดเจนนะเน่ยเมื่อวันนี้มาอแกบอกว่าพ่อฉันแผลแม่ตาลูกแมวไหนพ่อแม่มันดีตรงไหนล่ะยังไม่ได้ดีําดีหลายชวดมนให้ลูกน้่ให้ลูกมาชวดมนมันโตมันต้องตามแล้วโตมันก็โศกแล้วมันก็ไม่เอาแล้วเนี่ยเปเวรกรรมของพ่อแม่ต่อไปเถิด มี่ก็เป็นความจริงนีย่ยคำมากปฏิบัติถ้าเป็นพระภิกษุเรียบร้อยมีปฏิสังขโยมือ่อจฉามายาอัชาญา ย, ยาถาปัจจะยังเรียบร้อยผู้ดีเต็มขั้นการเจริญกรรมฐาน่ผู้ดีเต็มขั้ น, ง น, าา น, นองค์สมเด็จทัตมมาทัตมุติเจ้าจักรพรรดิและจักภรภพลาลบธรรมเอามาสอนพระภิกษุในประธรรมวินัยนี้คือผู้ดีเต็มขั้น เอาของพระราชาพระมาหากษัตริย์มาสอนว่าผู้ดีเขาทํากันอย่างนี้พระนี่เป็นผู้ดีจนขั้นทาเรียบร้อยหมดไม่อะไรก็เรียบร้อยจะเดินเหินต่างพุทธลีลาสวยหน้ารักหน้าเคารพหน้าบูชาน่ากราบหน้าไหวาหน่าสรรเสริญจเจริญพรเดี๋ยวนี้ไม่นําำตามตามอย่างนั้นแล้ว อาจจะเลงกรรมาฐานจะสวยน่ารักทั้งคารวาสทั้งพระบรรพชิตทั้งสร้างข้อคิดน่าเรียอสายศรัทธาขยันหมัน่นเพียทรทำจิตจวัดไม่ขาดอย่างนี้เถทั้งหลายก็ไม่ว่ากันละจะเป็นพระทองเรียงทองเหลือ ง, ง, งก็แล้วแต่เนื้อหาของพระพระเขาเอาทองเหลืองหล่อมากา้พระเศษพระองค์นะจนทองคำก็เป็นไม่ได้พรเอาดินต้านมา ชาองค์ทะทะนั้นก็เป็นชาดินชาข้าตชาตัวเทชะมาชาหนึ่งก็เป็นตะตัวจะเป็นทองคําก็ไม่ได้โยมก็เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั น, นั้นมีลักษณะาการคล้ายคลึงกันมากนี่อพระภิกษุครับมาเนินทั้งหลายถ้าท่านมีสมาธิจริงขจะเรียบร้อยท่านจะมีสติมีสัญญาที่ปัญญาเรียบร้อยหน้ารัากหน้าเคารพหน้าบูชาหน้ากราบหน้าไาว้ หากว่าท่านไมมือถึงจะมาที่ปัญญาไกลศึกษะสามอาจจะแสดงค่าทีทิยามารยาจะไม่เป็นพระเป็นเน้นในนิ้วปวดแกนวิธีการแต่ทาอะไรก็เสียหลักเกินวิธีการของพระสงฆ์องค์เจ้าตามพระธรรมวิธีไในนี้วระ่ทบสันอะไรก็พิจารณาอาหารฉันเที่ยวให้ละเอียดเชืนหนอเที่ยว ห, หนอ ยาหนอเลือนหนอเป็นต่อนเนื้อหนังหนังสางก็กลายเป็นเนื้อหนังบุญยาวโยมก็ไม่การพิกาอาหารอย่างา น, นั้นเนกม่ปฏิบัติเนื้อหนังโยมที่ได้รับเลี้ยงจากอาหารบุญเนื้อหนังก็เป็นบุญมีความสุขทั้งเนื้อหนังมีความสุขทั้งจิตใจกายก็เป็นบุญศึกก็เป็นบุญชีวิตก็เป็นกุศล ทำลัยก็ได้ผลสมค่าสาถนาดังในขีแจงสแสดงมาณบัตนี้โยมที่จะกราบนรรมะจากการลาไปบา้านเือหัสถานขอให้เอาพระประจำใจตายเอาหลวงพ่อสติหลวงพ่อสามัญญะครั้งที่สุดหลวงพ่อวสวรรค์ในครั้งเท่าหลวงพ่อสติขอให้ฝากหลวงพ่อสติจิตตัวภายโยมจะเปลี่ยนภาวะให้ดี กับเปลี่ยนปรตูลูปางรูปแบบที่สวยงามเป็นพระอยู่ในจุดสร้างความคิดให้เกิดปัญญาโยมระดักกต่ปัญหาได้สมค่าศาถนาทีเดียวนี่อย่างนี้ไปก็ลามาก็วายเอาไปใช้ไปสอนลูกหน่อยนะไปโรงเรียนไหวพอไหวแมาน้อยไปเจอผู้หลกผู้ใหญ่ก็ยกมือไหวบ้ า, บางเดี๋ยวนี้บืนกันเกลียวกล่าวมาลิงข้าง่างที่เอาดีไม่ได้ นี่แหละมันมาจากจุดนั้นมันมาจากจุดนี้หาหกท่ า, ทานผูดใดมือกธาเลื่อมใส ต, ต่อพระพุทธศาสน า, ศาเป็นแรนนำคงชีวิตจ่เดินทางไม่ท่าดถึกในมรรคธรรคาแล้วโยมจะมือกับความเจริญมือกับความนุ่งเรื่องวัฒนาจะาผาพรอไม่จำต้องกล่าวว่าไทายจะพูดแค่มุสลิมอีสลาม คลีกเขาออกมากันมากม า, ายจาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเขาเขาก็จะได้ประโยชน์ไม่มีข้อทษแต่ประการใดออกมาจะแก้ไขปัญหาได้ดังที่เี้ยแจงจแสดงมานะปันี้พระสงค์องค์เจากก้าก็ต้องซ้ารวมสังวระวางเหมือนโยมโยมก็ะํารวมคือสติระลึกอยู่สเสมอสัญวร ม, มีความรู้ตัววันดีวิเคราะห์ ยุบามารยาจะนีเหมาะสมไมในสังคมละวางอยาบละมาดหยาบพลาดอย่า ล, ล, ล, ล, ละโอกาสอันดีงามนั่นคือตัวปัญญาจะได้หลอกลูงในกองการชังขานทุกวิถีทางองชวติต่อไปก็คงไม่เป็นถีกะหังไม่เป็นถึงกระสืต่อไปถึงกระสืที่ตัวนี้มันแย่มากอขอฝากไว้อ ย, ยบาบพบผ่านเลยเอาจุดขงท่านเปินบันทึ มีความคิดอยู่ในตัวไม่มีความช่วยต่อบปานใครลามาไหา้ขออวิธีรารพระรัตนาใจประสงค์ก็สาธุแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะได้มีโชคมิชัยแล่นเราได้มีโอกาสมาบาัพเพิจุตภาวนาแาไปถวายเป็นตลาดกุศต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมนาถเจ้าพนมูสุดสมเด็จยา่าแต่เสด็จ ด, ดับฐานสวรรค์นนะครสิมาวัน 48, ที่สิบแปดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันรอยสามทปด ได้จะท้าพระราจะท้าชอบบรนมนครในวันที่ชุดมีนาโคมมากทุกจักรกลาบสองพันรอยสามสิบเก้าจากถึงในวัขนข้างหน้าแล้วเราก็มาบำเพ็ญสุดภาวนาถาวายเป็นพระราษฎรแสงทุกวันไม่ขาดเมื่อวานนี้กะมาขาดไปวันจะเสียใจก็ไปที่ศูนย์การทหารจึงใหญ่แล้วต้องกลับมาให้สรรมฐานนักศึกษามาเดินโอกาสว่างเราเ้า ขอให้ตระสองคอง์องเงินเถระยาขาดช่วยกันถาวายเป็นพระราจาุชน้สนสวดมนต์ไหวพระยาขาดประกาศตอนแล้วก็ถวายไทยมงคลแก่พระมหาบพิตรพระารพระบพิตรสถิตมหาสีมาสาธนุประสามกยกยองพระพุทธศาญจนาะคือองค์พระราชา ลองลากมาได้หาผินปันษาแล้วเราอยากขาดกันุูสาไปชูวัดมณฑ์ถาวายท่านบ้างไม่ได้เนี่ยนาบะเพ็นจุตถภาวนาบางองค์ก็ไม่เป็นไรนะไม่เคารพบูชาท่านก็ไม่เป็นไรเราจะปลูกต้นไม้ลากมากตามถนนเห็นามถาวายองค์พระราชาบางคนไม่เห็นด้วยเนยนะปลูกต้นไม้เธอจะเกียก่ยวก็หน่อยก็ ย, ยังทาไม่ได้ เขาไม่รักองค์พระราชาเลยขอฝากไว้ประกาศให้ที่น้องชาวไทยว่าวาวเนโตได้ทราบเที่ยวด้วยไม่มีการรักขันอาตมาเนี่ยเสียสลาชีวิตดั่งในก็ะถ่วไวเป็นรพระเจริญอวายวุณไทยพัฒนาของท่านทุกวันที่กานี่เราเห็นโอึคงใจการปลอบวุฒารพระเจริญศรธาต่วัยชงางัดชามที่มีเป็นขั้ที่เก้า ถวายข้อสารมาร้อยเก้าศึกษาแล้วพวกเราชาววัตถุวันไม่เห็นใจรหรือปลูกพุวยกระตูกต้นไม้เนื้อที่ของท่านเป็นการถาวายเป็นพละราชกุศลก็ยังทําไม่ได้อีบแล้วท่านจะทําอะไรการที่นอนชาววัตถุวันที่ท่า น, านจะทําอะไรกันหรือแปรปลูกต้นไม้ถาวายเป็นราช ก, กาละต่อพระองค์จ้ท่านมหาเมตตษก็ยังทําไม่ได้ ไม่อยากจะทํากันเอามาเป็นลานะส า, า ม, มาองเดียวก็ต้องสู้ต่อไปแล้วรู้สึกว่าสงสานจะเจ้าอยู่หวัวการทรงประชวนโลหอาไทยท่านยังไปช่วยโยมช่วยญาติพี่น้องประชงลูกรน้ําท่วมที่ไหนท่านก็ไปช่วยวัดเราท่านอุตสาเข้าสารมาให้ถึงร้อยเก้าคืประกอบแล้วพี่น้องชาววัดพวันไม่เห็นบ้างหรือแต่เราจะเทอตอ ถ, าถาวายต้นไม้ปลูกให้ท่านสักต้นหนึ่ง ออยังทําไม่ได้เยอะเอาละไม่ได้ในตอายขอตัดไปเลยไม่ต้องปลูกกันต่อไปไม่ต้องปลูกนะแ้าที่ปลูกแค่วาเดียวก็ยังให้ไม่ได้ในตอนไลต่อไปนะในเวลาตมาเนี่ยเสือศระถวายเป็นพระเจ้าพองค์พระราชาตามพระเนื่ตามพระการพวกองค์พระาราชาจดกล่วยสอนเบืเ่อเกือบตายก็ข อ, ขอฝากไว้ในโอกาสด้วยตามา ย, ยอมเสือศระหมดแล้ว ายาโยมมือที่ปลูกไว้โยมที่มาป้าปฏิบัตินี่ธรรมะมีที่ชัยก็ปลูกขั้นต้นนึงฮรัการเจรณาผู้เผยมาปลูกให้หลวงขั้ต้นได้ไหมดูตัวจะเปี่ยนที่ตายตัวที่ก็ไม่ต้องแตต้องปลูกเอาดินไว้สายลงต่อไปเอาไปไปปลูกในชาติหน้าต่อไปก็เอาเนี่ก็ไม่ว่าอะไรการขอตัดงดไว้นในการปลูกส่วนไม้โทษเกี่ยว ในถนนของวาทวาลต่อไปได้มาจองตูกนะไม่เป็นไรจะประการใดแค่ตนมาปลูกในที่ื้นท่านเพื่อถวายตนพระราชกถาละถวายการเจรณาบุตรก็ยังทําไม่ได้อก็ไม่เป็นไ ร, ร, รไนใน เ, นนนเวล า, า, าสาาาามาล่ว ม, มปัมปมใจแล้วเดี๋ยววันที่เก้ามิถุนาของล้านห้าแสนต้องได้ถาวายตนพุนทไทยพัฒ ม, ม า, ามาจังมาล่วมบุญกับกามาหรอก ในทางรวมบุญแล้วพระองค์เหนืสอสงเหนือยาเพระวรกายมากมายถึงห้าสิบ ป, ปันกาในนี้เราได้รับความเริ่มเย็นเันสุขเป็ น, นบารมีของพระองค์ท่านก็ยังมาช่วยชุนกตารุโก็ตะเวทิตาทันไม่ได้จะย่อจะทุพนอะไรแต่ท่านทั้งหลายก้อนนี้เป็นไนอะะกออ็มาขอขนมทนาธุการอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านตลอดข้ า, าสององค์เจา้าผู้ใจบุญกุศล อยู่สาถวายเป็นพระกุศลถาวายพระพรชัยมงคลไม่ขาดทุกวันเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาสองตื่นละแล้วก็เดี๋ยวควรทมาจากประวัตนศาสตรเป็นถาวายพระองค์ท่านพระองค์ต้องเหงื่อยาพระวรกายบารมีของพระองค์ตกปักภาษาประเทศไทยให้ประเทศไทยอยู่ด้วยความเย็นเย็นประจุเพราบารมีของพระองค์มิเคยหิว โปาดนึกข้อนน้ไว้มั่งก็จะดีข่าจะได้อยู่เย็นกับฉกสืบต่อไปขออําอนาจปุณประท์และสำนาจจัดนาจบุญกุศทั้งหลายโดยประทานพรหิญาติดยอมพี่น้องข้างฝ่ายบรรทุกติดเือหาผู้สร้างความดีสร้างกุศลบุญยาลาถือด้วยการปฏิบัติธรรมหนูธรรมะปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นจนไปงลงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร ง, งอกงามไพบูรในประ พ, พุทธศาสนา ขององคสมวูกตัมมาทมบูรณเจ้าและจงเจริญก็ด้วยอายุวันนาถุขาพละปฏิภาณนาสารสนบัตใิในึกดในหนึ่งประการดาได้สมความมือมาจาสนาื่ยการทุกู์ทุกนามนาโอกาสบัดนี้เทอนสัพพโลกาเวนิโมตัตสัพพานิบา การเจาะจับผ้าเวลามาเต o าต้นนึ่งต้จะบตุวามายาจัยนันาตกากโลโวนจตุ๊กาเสียมาหวานหวานตาลน อบาวะอะพิวะเมนซาเมนกาโนะาปโนจตาโมาวันกาเตอาลุวโนันกาลังคโตเวะปสน เท้าปวดเท้าปัสสนานังปุรนเย้าหนัวซาเละ a าเท้าสามเละปัสสนานังปวดปัสสาวะสุขเท้าเทสังัสสานังย จะเมืองทางนางทางจางอาภังโทางาลุจจวันโลจยาโสเบือังอาคาสะทาตเมธาวหะอาัมมาสัมมาหิโกเทวาโ มโนโซมาอาคาปตุปโมทิสวน์ตุปธรรมัรรธรรมธรรมฐนตุปตะเอเวตาสัพตพุทธานุภาเวนสวัชิมาวันตุ ตาลังลัคขันตุสัปพะเจวะตาจัปปะธัมมานุภาเวนปะเพื่อภาวนตุเจภาวนตุาสตลังลักขันตุจัปพะเจวะตาจับปะจ cha <tik>